ผลประโยชน์ของเราที่เราควรได้นะเป็นเมตตาต่อตัวเองเนี่ยนะต้องมีเมตตาต่อตัวเองคนที่ปฏิบัติธรรมระดับสูงอันหนึ่งต้องมีเมตตากับตัวเองน้อมนำให้ทุกคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะแท้จะเรียกว่าตั้งความปรารถนาให้ตัวเองเลยขอให้ข้าพเจ้าเจริญด้วยศีลวิสุทธิให้เจริญด้วยจิตวิสุทธิให้เจริญด้วยทิฏฐิวิสุทธิให้เจริญด้วย กังขาวิตรณวิสุทธิให้เจริญด้วยมัคคามัคคยานัศนาวิสุทธิให้เจริญปฏิปทายานทัศนาวิสุทธิให้เจริญด้วยยาณทัศนาวิสุทธิให้เจริญด้วยปัญญาวิสุทธิวิมุตติวิสุทธิเป็นต้นเนี่ยแทบจะขอร้องอ้อนวอนเธอต้องใจเธอต้องเป็นไปตามนี้นะคุยกับตัวเองให้มันมั่นเลยว่าจะต้องเดินเส้นทางสายนี้ ที่พระอาิยะเจ้าทั้งมวลในอดีตทุกพระองค์ท่านก็ข้ามพ้นอย่างนี้แหละให้ใจเราเนี่ยนะขอร้องบอกเลยว่านี้คือเป้าหมายนี้คือสาระนี่คือผลประโยชน์ของเรานะเขาบอกวันนี้คือเส้นทางของเรานะตั้งเป้าหมายอธิษฐานสมาทานแบบนั้นเลยเห็นไหมเขาเรียกว่าตั้งแบบนี้บ่อยๆเรียกอะไรอัตตสัมมาปณิธิและเป็นลักษณะของผู้มีศรัทธาและเป็นลักษณะของผู้มีความเพียร เป็นผู้มีศรัทธาเขาทํากันอย่างนี้แหละผู้มีความเพียรเขาก็ทํากันอย่างนี้แหละเนี่ยนะเขาก็ตั้งความเพียรให้อ่าเรียกว่าภาวนาประทานต้องคุณธรรมเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นเรียกว่ามองเห็นเส้นทางของการเจริญได้อย่างชัดเจนมองเห็นคุณธรรมที่ควรจะเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองอย่างชัดเจนว่าตัวเองนั้นควรจะมีคุณธรรมอย่างไรที่อยู่ในจิตในใจเนี่ยแล้วก็เพิ่มทูลสมาทานอธิษฐานพอกทูลไปทํานั้นเนี่ยนะ เนื้อท่าถ้าเจริญได้ตามนั้นก็ก็ถือว่าประสบ ค, ความสําเร็จทีนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยนะปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิก็คือวิปัสสนาญาณเก้าอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิ re. ที่เรียกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิตรงๆรงยีปิวิปัสสนาญาณเก้า น, นั่นแหละคือวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์เนี่ยนะที่ที่สมบูรณ์นะตั้งแตอุทยพย า, ยานเห็นความเกิดโดยอาการยี่สิบห้าความดับโดยอาการยี่สิบห้าของ อุปาทานขันห้าทางขยานก็คือตามเห็นความสิ้นไปของขันห้าเนี่ยนะเห็นความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปแปรไปของขันห้าก็เห็นขันห้าว่ามันน่ากลัวเห็นโทษของขันห้าเห็นความน่าเบื่อหน่ายของขันห้าต้องการพ้นจากขันห้าวางเฉยที่จะออกจากขันห้าสัจจานุโลมีขยานก็คืออนุโลมต่อการตรัสรู้อริยสัจตรัสรู้นิโรธเป็นที่ออกจากขันห้าเนี่ยนะ จริงถ้าสัตยานุโลมมิขยานจบก็ต้องต่อด้วยโคตรภูยานแต่ท่านไม่พูดเพราะอยู่ในอาวัชนะของมรรคก็ข้ามไปสู่มัรคยานเลยก็คือยานทัศนวิสุทธิก็คือปัญญาในอรยิยมรรคทั้งสี่คือโสดาปติมรรคสกธาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเนี่ยนะก็ชำระบาปอากุศลที่เกิดขึ้นนั้นๆตาด้วยอนุภาพของมรรคนั้นๆทั้นปัญญาวิสุทธิก็ได้ผลก็คือปัญญาในอรหัตตผลไม่มุดใน อรหัตผลก็ตัวหลุดพ้นเนี่ยนะตัวปัญญากับวิมุตตวิมุตตกว้างกว่าปัญญาเนี่ยนะก็องค์ธรรมที่เหลือนั่นะเป็นวิมุตตถ้าเราดูดีๆอีกในหนึ่งเนี่ยน ะ, อ, ะองค์อันเป็นประธานหรือองค์แห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งเก้าเนี่ยนะก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามมงคลได้อย่างสมบูรณ์นั่นแหละที่จริงก็คือมงคลน่นะ อย่างศีลวิสุทธิ์ที่ก็คือตั้งแต่อเสวานาจะภาลานังไปจนถึงโนและอารตีวิรตีปาราเนมัชฌาปานาจะสัญญโมพวกนั้นอยู่ในคุณธรรมของผู้มีศีลวิสุทธิที่ทั้งนั้นนะเพะศีลวิสุทธิ์ที่เนี่ยไปจนถึงโนเนี่ยกาเลนะธรรมสวรณังกาเลนะธรรมสากัชฉานะนะ่ะเพรอจิตตวิสุทธิ์ที่ก็ตะโปจะพรมจาริยัญจะเน่ยนะนะพอหลังจากนั้นก็เป็นกังขาวิตรณวิสุทธิ์นี่ก็จะเป็นพวกนะั้ อริยสัจจานัศสนังเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นบาทแห่งการตรัสรู้อริยสัจส่วนปัญญาวิสุทธิวิมุตติวิสุทธิเนี่ยนะก็คือนั่นแหละสัตมนิพานสัจฉิกิริยาธรรมอรหัตผลให้แจ้งนี่พานตัวนั้นเป็นชื่อของอรหัตผลอันนิสง์ก็คือไม่หวนไหวในโล ก, กธรรมทั้งปวงเพราะท่านสมบูรณ์ด้วยอริยะคุณทั้งหลายเหล่านี้พรันท่านเหล่านี้ผู้ที่บรรลุตามนี้เรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วย ผู้ได้เต็มปากเต็มคำผู้สมบูรณ์ด้วยศีลผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาวิมุตติยานัทสนะถ้อยคําเอาไว้ชื่นชมพระอริยเจ้าเป็นถ้อยคําที่เอาไว้ชื่นชมพระพุทธเจ้าชื่นชมว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมเหล่านี้นะท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้ผู้ใดที่มีคุณธรรมเหล่านี้เป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่ควรนอบควรน้อม ควรกราบควรไหว้ควรลุกรับควรเชื่อเชิญควรทำอัญชฉลีควรทาสามีเจกรรมเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเพราะบุญที่ทำกับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้เป็นบุญที่มีผลหาประมาณไม่ได้คำนวณ น, นับไม่ได้ การศึกษาภาเวตประธรรมเนี่ยนะการศึกษาภาเวตปธรรมเนี่ยเราจะได้เรียนทั้งที่เป็นพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณอยู่ในตัวแล้วก็เห็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าศิษยาของเราทั้งหลายว่าถ้าเราจะปฏิบัติถ้าเราจะศึกษาถ้าเราจะเจริญถ้าจะให้มีคุณธรรมในใจก็ขอให้มีคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะก็เจริญเมตตาให้ตัวเองให้ตัวเองเจริญด้วยคุณธรรมเหล่านี้ถามว่าถ้าเราเจริญก็เลยคุณธรรมเหล่านี้เราพ้นทุกข์ไหม พ้นจากทุกไหมก็พ้นจากทุกแน่นอนเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่มีใจว่าขอให้มีคุณธรรมเหล่านี้เพื่อจะได้พ้นทุกนี้เรียกว่ามีกรุณาเนี่ยนะเรียกว่ามีกรุณาว่าขอให้ได้รอบรู้ในคุณธรรมเหล่านี้มีคุณธรรมเหล่านี้จนถึงความพ้นทุกเธออันนี้แหละเรียกว่าผู้มีกรุณาเนี่ยเมื่อมีกรุณาอย่างนี้ก็ถ้าแสดงคุณเจริญด้วยธรรมะเหล่านี้อย่างใดก็อนุโมทนากับตัวเองมูที่ตากับตัวเองดีใจกับตัวเองที่ได้ มีคุณธรรมเหล่านี้เขามาก็ดีใจที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านได้พูดเนี่ยก็โอ้ดีใจระดับหนึ่งแล้วล่ะเนี่ยนะถ้าได้ปฏิบัติตามนี้ได้จริงๆน่าจะดีใจขนาดไหนใช่ไหมดังั้นถ้าผู้ใดที่ปฏิบัติใดตามนี้จริงน่าจะยินดีกับเขาร่วมกับเขาขนาดไหนเขาคือคนที่น่ากราบน่าไหว้ขนาดไหนแต่ถ้าไม่เจริญตามนี้ก็กรร ม, มสโกมหิสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ประสบความสุขความเจริญตามอนุภาพของ การปฏิบตัติตามแต่ควรการปฏิบัติของตนเนี่ยนะเพราะนั้นต้องเจริญพรหมวิหารให้กับตัวเองบ้างไงเพาตัวเองควรได้รับผลประโยชน์เหล่านี้กรุณาตัวเองถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้มันเลวร้ายมากเนี่ยนะอย่างสมมุติถ้าแบบโพกทรัพย์ในโลกเนี่ยนะถ้าเรามีบ้านกับไม่มีบ้านต่างกันยังไงนะไม่มีบ้านนะไม่แปลว่าไม่มีที่พักไม่มีบ้านเช่าไม่มีอะไรสักแห่งเลยนะ จะโดยเช่าโดยซื้อโดยจริงโดยอะไรก็ช่างเถอถ้าไม่มีเลยมันจะเป็นยังไง with with with with with with. า ก, ากับมีแล้วมันต่างกันยังไงอาหารก็เหมือนกันถ้ามีกับไม่มีอาหารมันต่างกันยังไงเสื้อผ้าถ้ามีกับไม่มีมันต่างกันยังไงยาทั้งหลายถ้ามียาใช้มียาบริโภคกับไม่มียาบริโภคต่างกันอย่างไรชีวิตถ้ามีงานทากับไม่มีงานทามันต่างกันอย่างไรเห็ น, นไหะ ฉันใดก็ดีอริยคุณทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะมีคุณค่า ย, ยิ่งกว่าโภกท้ัพย์ยิ่งกว่าปัจไกสีเหล่านั้นอีกถ้าเราไม่มีคุณธรรมเหล่านี้เราจะเสื่อมขนาดไหนถ้าเราเสื่อมเราไม่สงสารตัวเองบ้างเลยหรือเนี่ยนะเข้ามาก็ได้แต่พูดอยู่ทุกวันนะมันคนเขาแปลกนะมเขาไม่สงสารตัวเองกันบัางหรือไงเนาะหรือว่าเขามันเป็นพวกแบบพรหดอดทน จะกรีเนื้อเลือดจะไหลขนาดไหนไปตกนรกหัวกะบาลแบกแบนขนาดไหนก็ไม่สนใจเนี่ยนะคนะือเขามันแหมมันใจเด็ดใจเยี่ยมขนาดนั้นทนได้เสมอเขาจะทุกข์เขาจะร้อนอยังไงเขาก็อดทนทนเป็นเยี่ยมอู้ทําไมเขาอดทนจริงๆเลยทำไมมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกข์อย่างลงแล้วเนี่ยนะนะมีแต่ทุกข์เบื้องหน้าแล้วทุกข์อย่างลงแล้วไอช้ชไหนที่แต่ทาที่สุดแรงทุกข์เขาไม่เคยคิดเลยอะ่ะเขาไม่เคยคิดจะออกจากทุกข์เลย อันนี้กูพวกเนี่เขาเาเป็นศัตรูตัวเองแท้ๆแล้วเกิดมาแช่งตัวเองขอให้ทุกข์ขอให้ทุกข์ถามอ้ารู้ได้ยังไงว่าเขาบอกว่าเขาขอให้เขาทุกข์พฤติกรรมคำพูดความคิดของเขามันบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเขาสาบแช่งตัวเองอยู่เนียพฤติกรรมคำพูดความคิดเขาสาบแช่งตัวเองอยู่นะเขาสาบแช่งอยู่ตัวเองขนาดถ้าเขาไม่สงสารตัวเองเนี่ยนะเขามาว่าใครจะน่าสงสารในโลกป่านั้นอีกแล้วเนี่ยถ้าแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่สงสารตัวเองเนี่ยนะจะแต่ขนาดไหนเนาอเนี่ยนะ มันก็เป็นไม่เป็นไรนะก็กรรมมสะโกมหีนะตามสมควรแก่กรรมก็แล้วกันเราต้องฝึกเจริญอุเบกขาบ้างใช่ไหมเนยนะเพะไม่งั้นเดีวก็ไปป่วยกับเขาแล้วเอ้าเห็นเขาไม่ออกจากทุกข์แล้วเราไปป่วยกับเขาเฮ้ยก็จะเขาบอกว่าถ้าเห็นเขาเดินผิดเท่าไหร่เราต้องยิ่งขวนขวายเพื่อที่จะเดินออกจากเดินให้มันตามตามถูกให้ถูกทางเท่านั้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็เราก็เป็นกลายเป็นคนที่ขาดการุณาต่อตัวเองเนี่นยนะก็เราต้อง พยายามที่จะสมาทานให้มีศรัทธามีกุศลธรรมตั้งมั่นเป็นไปตามศาสนาถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยนะขอมาพูดเนี่ยไม่ไม่พูดให้มันเกินโสตาปฏิยังฆธรรมหรอกเนี่ยะมันจะยังไงก็ช่างเถอเพราะว่าเราทั้งหลายโดยมากไม่ใช่พระพระสกะทาคาร ม, มีอนาคามีมไปแล้วมันไม่พูดให้ละกิเลสอะไรทีเดียวหรอกมันก็พูดให้มันยังไงให้มันมีศรัทธาในพระรัตนะตรายว่าจะด้วยเหตุผลใดว่าจะไม่เลิกนักถือพระพุทธเจ้า นะเรจะได้มีศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ปฏิบัติยังไงจะได้เจริญในคุณธรรมคือศิกขาสามเป็นต้นเพราะตรงนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องมุ่งปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันก่อนปฏิบัติเพื่อให้เห็นอริยสัจก่อนเนี่ยนะตรงนั้นคือเป้าหมายอันแรกที่เราควรตั้งเอาไว้เนี่ยนะถ้าไม่ได้ชาตินี้ก็ขอให้มันชาติหน้าถ้าชาติหน้าไม่ได้ก็ขอให้มันได้อีกหลายๆชาติยังไงก็ขอให้มัน น้อมไปเอ็นไปเอียงไปเพื่อปฏิบัติตามอริยสัจให้เห็นอริยสัจถ้าถ้าเห็นอริยสัจแล้วก็ออกจากอบายได้ก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดแล้วเนี่ยนะในบรรดาผู้ปลอดภัยทั้งหลายแต่ถ้าไปอบายในบางคนบอกมันน่าหนักใจตรงไหนถ้าไปอบายเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าไปอบายแล้วมันยากที่จะออกเนี่ยนะถ้ามันเกิดแค่ชาติเดียวมันไม่น่ามีปัญหาหรอกก็เคยเห็นพวกสัตว์อบายให้ทานไหมล่ะเคยเห็นสัตว์ไปอบายรักษาศีลไหมล่ะ เคยได้ยินเสียงหมาหอนไหมบอกถ้าหมาหอนนี่แหละแปลว่าเพ้อเจ้อเดรฉานมันเพ้อเจ้อประมาณนั้นก็มีแต่บัจีทุจริตนะนะถ้าบัจีทุจริตอย่งนั้นแล้วมโนทุจริตมันจะขนาดไหนกายะทุจริตมันจะขนาดไหนมันก็เต็มไปด้วยทุจริตแล้วทํายังไงจะออกจากภพเหล่านั้นได้อันนะั้นเป็นยินดีกับเดรชาญไปเถื่อนเนี่ยนะจะยินดีกับสิ่งใดก็คือนั่นแหละว่าที่แล้วละคนนั้นนะคือว่าที่ของสิ่งที่ตัวเองยินดี ถ้ายินดีในพารยะเราก็ว่าที่เหมือนกันนะว่าที่ไว้หลายอย่างเนี่ยอะไรมันก็ต้องคิดให้ดีเหมือนกันนะว่าควรจะว่าที่เรื่องอะไรเป็นเป็นหลักใช่ไหมคือแปลงให้ทางธรรมะท่านให้ความสำคัญลักษณะนี้ว่าถ้าเราเห็นด้วยกับสิ่งใดเราชื่อว่ามีหุ้นส่วนกับสิ่งนั้นสมมติถ้าเรายินดีในนกเราก็มีส่วนแห่งความเป็นนกถ้ายินดีในสุนัข ก, ก็มีส่วนแห่งความเป็น สุนัขถ้ายินดีในปลาเราก็มีส่วนแห่งความเป็นปลาถ้ายินดีในไก่ก็มีส่วนแห่งความเป็นไก่ฉันใดถ้ายินดีกับพระพุทธเจ้าก็มีส่วนที่จะได้เห็นทำตามพระพุทธเจ้าถ้ายินดีในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็มีส่วนที่จะตรัสรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนถ้ายินดีในภาษาวกเราก็มีส่วนที่จะตรัสรู้ตามพระษาวกถ้ายินดีในข้อปฏิบัติใดเราก็มีส่วนที่จะปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติเหล่านั้นเหล่านั้นแล้วอะไรควรยินดีพระพุทธเจ้ญญาบอกว่ า, วาความยินดีในธรรมเป็นความยินดีในชนะความยินดีในที่ทั้งปวงเรียกว่าอะไรเนี่ยคือที่ท้ททาวสกา่าพนัฐธรรมธานังสัพพธาณังชินาติให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีในทั้งปวงชนะตันหาก็ชนะทุกทั้งปวงเป็นต้นนั้นถ้าเรายินดีในสิ่งใดเราก็มีส่วนที่จะเป็น คล้ายสิ่งนั้นเพราะยินดีกับสิ่งใดแปลว่าเราตั้งใจเพื่อเป็นสิ่งนั้นรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามแปลว่าเราตั้งไว้เพื่อความเป็นสิ่งนั้นแล้วอะไรควรที่เราจะขีดร่องให้ใจเป็นไปตามนั้นควรตั้งไว้อย่างไงใจของเราถ้าตั้งไว้ถูกต้องเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิทิปณิทิปแปลว่าการตั้งอัตตะแปลว่าจิตเนี่ยนะปณิทิป แล้วว่าตั้งสำมาแล้วว่าถูกต้องตั้งใจยังไงให้มันอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องเนี่ยนะของเราชาตินี้ยังไงก็มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะก็ขอตั้งไว้ตามคุณของพระรัตนตราตามพุทธกุลธรรมคุลและสังฆคุณเนี่ยนะจนไม่มีอะไรทําให้ใจเราเปลี่ยนใจเสื่อมเอ่ยมันเห็นสุนัขเห็นพระรัตนตรัยด้วยเอาสิตั้งไว้จนเห็นขนาดนั้นนะนะอันนี้พูดไม่ได้พูดเกินไปนะมันเป็นจริงๆ อันนั้นว่าถ้าเห็นสุนัขปั๊บเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่เชื่อมจึงมาเกิดเป็นสุนัขเงี้ยนะไม่ใช่ว่าเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติธรรมนะเขาจึงเป็นสุนัขเนี่ยแสดงว่าไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ไม่ทําบุญเป็นต้นนี่แหละจึงไม่มาเกิดเป็นสุนัขนั้นเห็นอสัตว์ในอบายเห็นพระรัตนตรัยด้วยอ๋อเห็นด้วยนี่แปลว่ารู้ได้เลยว่าเพราะเขาไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัย จึงไหลไปสู่อาบายทุกปฏิวิบบัตเพราะเขาไม่นับถือพระรัตนตรายเพราะไม่ปฏิบัติในข้อปฏิบัติตามที่พระรัตนตรัยแนะนําเขาจึงเป็นผู้มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะจากทุกสู่ทุกขเมื่อวานโยมเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะดีนั่นมีพ่อมีแม่ดูแลก็าบอกว่าถ้าเป็นสุนัข จ, จรจัดแล้วมีใครดูแลกว่างั้นเพราะถ้าไปสู่อาบายเนี่ยเราคิดหรือว่าหมามีเจ้าของก็ไม่มีเจ้าของไหนมากกว่ากัน อนน้มีมีผู้สนใจกับผู้ไม่สนใจไหนมากกว่ากันป่วยแล้วมีคนดูแลกับไม่มีคนดูแลดูแลก็แค่สักว่าให้อยู่บ้านเฉยๆให้ให้ข้าวกินเฉยๆหรือว่าเป็นยังไงเนี่ยนะไหนจะมากกว่ากันนี่นี่ดีนะตัวโตหน่อยถ้าเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นปลาเนี่ยอยู่ไงอ่ะถ้าเป็นมดเป็นปลวกเป็นกุ้งเป็นปูเนี่ยไปอยู่ยังไงเนาะนี่นถ้าเป็นลับเป็นเปรตเนี่ยหดอยากหิวโหยเป็นก้อนเนื้อจะอยู่ยังไงแล้วอยู่ในนรกเป็นยังไงก็บอกว่า ถามว่าพูดอย่างนี้พูดเพื่อขู่ใช่ไหมพูดไม่ได้อย่างนั้นพูดจะได้มองเห็นเส้นทางของวัฏฏะให้มันตลอดสายเนี่ยนะว่าเส้นทางของสังสารวัฏมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันดีจริงพระพุทธเจ้าไม่ชวนอกอกรเนี่ยนะมันน่าเพลิดเพลินจะตายไปใช่ไหมในตอนต้นแต่ตอนท้ายน่าเสียใจจะตายตั้งแันมีร่างกายใช่ไหมดูนะโอ้ยตอนมันสุขภาพดีมันแข็งแรงมันโอ้ยน่าดีใจจะตายหายใจโล่งหายใจคล่องมีสบายจะตาย แต่พอมันหายใจไม่ค่อยออกแล้วจะรู้สึกว่มันหนักเหลือเกินเนี่ยนะอย่างสุขภาพทั้งหลายก็เหมือนกันแต่ละส่วนแต่ละส่วนถ้าไม่ป่วยไม่รู้ร้องว่ามันมีโทษแต่สมองถ้ายังไม่ขึ้นราลไม่รู้ร้อกว่ามันมีปัญหาถ้ามันขึ้นราแล้วจะเดือดร้อนเนี่ยนะ ท, ทุกส่วนของร่างกายนี่มันเป็นอย่างนี้หมดมันเดือดร้อนทั้งหมดทุกส่วนทุกขนทุกแห่งทุกสถานที่นี้พอดีบุญเก่ามันเลี้ยงไม่ดีร้องเนี่ยนะ เชอโรคมากขนาดนี้ไม่รู้สุขภาพแข็งแรงอ ย, Arri ออยู่ได้ยังไงยังงงเลยนะสุขภาพดีอยู่ได้ยังไงไม่ท <enfim> ราบนะโรคมันเต็มขนาดนี้ไปหมดเนี่ยนะเพราะถ้าเราไม่ไม่สังวรให้ดีๆเนี่ยนะใจของเรานี่มันอันตรายที่สุดเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรที่จะฝึกแล้วมีคุณยิ่งกว่าใจแล้วก็ไม่มีอะไรจะเลวร้ายเท่ากับปล่อยใจอีกแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ฝึกใจนี่มันเลวร้ายที่สุดเนี่ยนะไม่มีอะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ ปล่อยใจคือผู้ที่ปล่อยความสุขสมาทานถือเอาความทุกเนี่ยนะเพราถ้าเราจะรักษาก็ขอรักษาใจและอะไรเป็นเครื่องรักษาใจแหละก็คือกุศลรธรรมทั้งหลายให้อารยมรักอันประกอบไปด้วยองแปดมาหล่อหลอมใจให้โพธิปักิยธรรมทั้งหลายหล่อล้อมใจให้พาเวตาปรธรรมธรรมที่ควรเจริญที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดหล่อหลอมใจเนี่ยนะปฏิสัมพิธามรักวันนี้ก็ขอจบเวลาแต่เพียงเท่านี้ ท้ายที่สุดนี้ขอให้ใจของเราทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในการยัคตาสติเป็นผู้มีใจยินดีในสมถวิปัสสนาให้เป็นผู้มีใจยินดีกับสมาธิสามให้มีใจยินดีกับสติปฐานสี่ให้มีใจยินดีกับ สมาธิมีองค์5ให้มีใจ ย, ยินดีกับอนุสติหกให้มีใจ ย, ยินดีกับโพชฌงเจ็ให้มีใจ ย, ยินดีปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ให้มีใจ ย, ยินดีตั้งมั่นอยู่ด้วยความเพียรอันเป็นองค์แห่งความบริสุทธิ์ทั้ง9ประการให้เจริญกษินสิบเนี่ยนะก็ในที่สุดก็ขอให้ทำที่สุดแห่งทุก์โดยท่วนกันวันนี้ใช้เวลาเพียงเท่านี้